วันพระแปดค่าสิบห้าค่ามีการไหว้พระสวดมนต์ต่อไปก็เป็นการฟังสัมโมนิกถาที่พวกเราอยู่ร่วมกันบางทีก็พูดในแง่การสมคีในแง่การปลกครองในแง่ความเข้าใจ ในแง่ทำคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญามีหลายเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันพวพวกเราอยู่ด้วยกันมาร่วมกันมาใหม่ก็มีมาเก่าก็มีการอยู่ร่วมกันมาเจอกันมาพบกันก็ต้องอาศัยได้เห็นได้ยินได้ฟังเมื่อได้เห็น เราอยู่ผิดสถานที่เมื่อเราได้เห็นเราก็ต้องสังเกตพราอเรามาศึกษาเมื่อเราได้ยินเราก็ฟังใส่ใจเพราะเรามาศึกษาใจต้องสำเนียดเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะวิชาในโลกนี้มีหลายอย่างมีหลายแข น, แนง แต่ละประเทศแต่ละแห่งวิชาแต่ละขแขนงต้องเรียนรู้ทั้งนั้นเราจะไปเสยมภูรู้แจ้งทุกเสียงทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าวิช า, ขาแขนงไหนเตราต้ อ, องเเราต้องในศึกษามีเรื่องหยาบละเอียดตื่นลึกหนาบางสุดแท้แต่พวกเราจะหยั่งลึกเข้าไปในในเรื่องนั้นๆ แต่ทุกวิชาทุกแขนงไม่มีที่สิ้นสุดบอกได้อย่างนั้นเรียนเท่าไหร่ก็ยิ่งไปหน้าเรื่อยๆดีเรีย น, ยนไปเรียนมาก็วกกลับมาหาที่เก่าอีกวกวนเวียนอยู่อย่างนั้นทีแรกดำท่าไปหน้าพอไปไปไปสุดแล้วก็วกมาหาอันเก่าพอมาหาอันเก่าต่อไปก็วกไปหาที่ใหม่อีกไม่รู้ว่าเงื่อนเก่าไม่รู้ว่าเงื่อนใหม่คนมาเกิดมาทีหลังก็ว่าเป็นเงื่อนใหม่ แต่ที่แท้ก็เป็นเงื่อนเก่าพิชาในโลกนี้มันเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้สลับสับสนปนเปนกันแต่หลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ดูให้รอบรู้ให้สังเกตให้มองข้างนอกก็จริงให้ฟังข้างนอกก็จริงแต่ผลที่สุดผลสุดท้าย ให้มองเข้ามาหาตัวเองอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาแปลกแตกต่างกว่าศาสตร์หลายหลายหลายหศาสตร์ศาสตร์ทางนอกเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์การศึกษาการวิศวกรรมวิศวะอะไรก็ตามที่เราเรียนเราศึกษามีแต่เพ่งมองไปข้างหน้าเหมือนกับเราฉายไฟนั่นแหะมองไปข้างหน้าเรื่อยๆ แต่หลักของพุทธศาสนาให้ย้อนกลับมาหาตัวไฟฉายมันออกมาจากจุดไหนมองเข้าจุดนั้นรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ดับจุดนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็ดับหมดอันนี้คือพวกเราให้เข้าใจเอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนากับทางโลกนั้นแปลกแตกต่างกันอย่างไร เพราะทางโลกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไม่มีที่สิ้นสุดเรียนไปเท่าไหร่ก็ยิ่งกว้างขวางไปเรื่อยๆคนนั้นด็อกเตอร์คนนั้นาศาสตราจารย์คนนั้นโปรเฟสเซอร์คนนี้คิดประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาในวิช า, ขาแขนงออกไปแต่ผลที่สุดมันวกวนมาวนไปวนมาก็กลับมาหาที่เก่าอีก เป็นส่วนมากแต่ละของพุทธศาสนาก็จะว่าเป็นของเก่ากว่าใช่พบหลักของพุทธศาสนาพรุทธเจ้าว่ะเอสะธรรมโมสนันตโนพระธรรมเป็นของเก่าพระธรรมก็เป็นของเก่ากเหมือนกันพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนําสั่งสอนพระพุทธเจ้ากุกุสันโทโกโนคัมโนกัจโป โคตโมก็สอนอย่างเก่าต่อไปภายภาคหน้าระยะมตธยโยองค์อื่นๆต่อไปภายภาคหน้าท่านก็สอนอย่างเก่าคือพระธรรมเป็นของเก่าแต่พอบุญวัดาสนาบารมีของสัตว์ทั้งหลายหมดบุญวาสนาบารมีก็หยุดหยุดมีการเคารพนับถือเลื่อมใสพระธรรมก็จบอยู่เพียงแค่นั้น พะบุญสรรพสัตว์ทั้งหลายบุญบารมีเขาหมดอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางศาสนาไว้ห0 0พันปีอย่างเนี้ยพระพุทธองค์ก็มองดูแล้วว่าคนถึงห้าพันปีนี้จะนับถือเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจะเชื่อคงเส้นคงวาได้ไหมท่านมองดูแลว้วท่านว่าคงจะยากเพราะนั้นพระุทธศาสนาท่านจึงเลยวางไว้เท่านั้น แต่เท่าก็ถามอีกว่าพระพุทธศาสนาจะหยุดหมดเพียงแค่นั้นจริงเหรอพระพุทธองค์ก็ว่าถ้าว่าหมดคนเคารพนับถือเลื่อมใสในวันนี้ก็หมดเพียงวันนี้ถ้าหาว่าคนยังเคารพนับถือเลื่อมใสยังเชื่อถืออยู่ยังนํำทำคําสอนนํำทำคําสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติต่อไปอีกาศาสนาตถาคตไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่า 5,000 ันปีนี่ อันนี้เพียงเอาไว้เพียงประมาณพอประมาณห้าพันปีเนี่ยแต่พวกเรามาคิดดูขนาด 2,500 กว่าปีขนาดนี้ก็ยังถกเถียงกันรูบลุ่มดอนดอนขยับเข้าขยับออกเพราะว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ชาติของเราเนี่ยมันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ มองเห็นธรรมะเป็นของคือของลาสมัยไปเรื่อยๆอย่างพวกเราท่านทางหลายเห็นนี่แหละลก็ไม่ต้องดูใครอื่นดูดูในตัวของเราเองแต่ถ้าหากว่าจะไหวพระสวดมนต์จะรักษาศีลภาวนาเนี่ยเหมือนกับจูงหมาไปใส่ฝนเหมืองั้นแต่มีสีาขาตมีทลายดันออกบปรดดันเอาไว้ไม่ยอมไปหาไปยอมไม่ไหาไปหาฝนเหมืองั้น เหมือนจูงหมาใส่ฝนเมือนกันไอถ้าจูงไปหาธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าถ้าว่าจูงไ ป, ไปทางสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงเฮฮาโงหนังโงละครไม่ต้องจูงยากเหมือนกั น, กนโดดผางไปเลยจับหางไปกระหางขาดจับหูไ้กรหูขาด แปลว่ากิเลสของเรามันชอบไปในทางนู้นแต่ธรรมะเนี่ยเป็นของขมแต่เป็นยาขมไม่ชอบเพราะนั้นเราไม่ดูต้องดูใครอื่นดูตัวของเราเองที่ฟังพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่นานสักเท่าไหร่เพราะคนเราชอบตามอำเภอใจ ชอบไปในทางกิเลสถ้าหลักของพุทธศาสนาบอกว่าศีลห้านะสำหรับคารวาสศีลห้าควรรักษาศีลห้าพวกเราท่านทั้งหลายก็อกโอ้ยศีลห้าใครจะรักษาได้ถ้าจะรักษาศีลแล้วจะกินอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่ตามไม่จริงศีลห้าเป็นศีลที่คุ้มครองโลกเป็นศีลที่ให้โลกร่มร่มเย็นเป็นสุข Blue ถ้าคนขาดศีลห้ามา ก, right. แากๆแล้วเป็นอย่างไรแต่คนทั้งหลายก็โวยวายอีแล้วเรียกร้องหาศีลธรรมอีกขอเรียกร้องหาความเป็นธรรมอีกจะเรียกร้องไปได้ยังไงเพราะตัวเองก็ไม่มีศีลธรรมอยู่แล้วเรียกร้องก็เรียกร้องความเป็นธรรมตัวเองก็ไม่มีธรรมแล้วจะให้คนอื่นให้ธรรมแก่เราได้อย่างไรแต่ถ้าว่าทุกคนมีธรรมในจิตในใจมีศีลธรรมอยู่ในจิตในใจแล้วเรียกร้องหาศีลธรรม ศีลธรรมก็จะเข้ามาสู่ตัวพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนให้ความสม่ำเสมอกันแต่นี้โดยมากจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นจะไปพึ่งศาลเพื่อความเป็นธรรมศาลบางคนบางคณะก็เคยได้ยินขอรับชงคอรับชั่นในศาลอกีกกินกันอีกอยู่ตรงนั้นอีก และความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นที่ตรงไหนเพราะจิตใจของคนไม่เป็นธรรมจิตใจของคนมีกิเลสไปอยู่ในสถานคี่ไหนมันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นอธรรมทั้งนั้นถ้าหากว่าคนมีธรรมในจิตในใจไปนั่งอยู่สถานสถานที่ใดก็เป็นธรรมเพราะนั้นศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดมาในยุคใดสมัยใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นแ่ะถ้าหากว่า ธรรมเกิดมาในยุคใดยุคนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นเด็กหนุ่มเป็นนักศึกษาที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าต้องคิดให้ดีในสิ่งเหล่านี้ให้เอาศีลธรรมเข้ามาสู่จิตใจเข้ามาศึกษาในครั้งนี้เข้ามาบวชในครั้งนี้ถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้ศึกษาให้เข้าใจ ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกท่านกล่าวเหนคนเราที่จะมีแต่ความรู้อย่างเดียวหาความสงบสุขไม่ได้เพราะความรู้นั้นคิดไปในทางเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ชาติตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นเอเพราะว่า ต่างคนต่างใช้วิชาความรู้ความสามารถของตนเองยิ่งผู้มีหน้าที่มีอํานาจแล้วก็ยิง่งยิ่งมีปัญญาอีกก็สามารถที่ที่จะทําความชั่วได้มากแต่ถ้าจะทําความดีก็ทําความดีได้มากแต่โดยมากจะไม่ค่อยทําความดีโดยมากจะหนักไปทางความชั่วเสียมากกว่า ถ้าหากว่าขาดศีลธรรมใน จ, ใจิตใจเรื่องศีลธรรมตัวนี้มันขึ้นมาจากเป็นถ้าจะว่าเป็นสันดานก็ใช่เป็นของเก่าก็ใช่ถ้าว่าคนมีของเก่าในจิตในใจมันมีมูลพื้นฐานอยู่ในจิตในใจจะคิดอะไรจะทำอะไรใจของเรามีแต่ความเมตตาอารีมีแต่ความสงฆ์ข้ออนุเคราะห์เป็นหลัก จิตใจอย่างนี้เป็นแปลว่าจิตใจดั้งเดิมเป็นผู้มีอุปนิสัยดั้งเดิมติดพพติดชาติแต่โดยมากมันจะไม่ค่อยมีมันจะกิเลสจะนำหน้าเสียมากกว่าเพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาเอาธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นทางเดินของพวกเราตามไม่จริง ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วอิติปิโสอย่างพวกเราสวดเนี่ยอิติปิโสพรกว า, ารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยในบทอิติวิปิโสนะ่ยความแปลของวิชาวิชาคือคือความรู้อย่างพวกเราท่านทั้งทั้งหลายได้เรียนนี่ยแนะคือวิชาวิชาการแพทย์วิชากฎหมายวิชา ต่างๆตามมหาวิทยาลัยตั้งแต่กไก่กกายทุกแขนง อ, อันนี้วิชาคือความรู้เพื่อจะเรียนเข้ามาแล้วก็สะสวงหาความรู้เพื่อเลี้ยงชีพทำราชการงานเมืองเพื่อดำรงชีพามาค้าขายก็อาศัยหลักวิชาที่ตนได้เรียนมาอันนี้เราวิชา จารณะแปลว่าความประพฤติแต่ถ้ามีแต่วิชาอย่างเดียวขาดจารณะคือความประพฤติดีปฏิบัติชอบคนคนนั้นก็ยังเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้ไปไปในสถานที่ใดมีแต่ทาความเดือดร้อนให้แก่ใครๆทั้งหมดเพราะใช้วิชาไปในทางที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่ามีจารณะเข้าไปเป็นเพื่อนกํากับเข้าไปด้วยคนนั้นจะไปในสถานที่ใด มีแต่คนยกจ่องนับถือมีแต่อยากจะคนเข้ามาใกล้ชิดเพราะไปในสถานที่ใดทําให้คนอื่นไม่เดือดร้อนไม่ตกไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับตัวของเราเองพราะเราจะทํำสิ่งใดเราก็คิดเสียก่อนว่าเมื่อรำเมื่อเราทําให้แก่เขาอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามาทําให้แก่เรา อย่างที่เราทำให้แก่เขาเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้แหละคือจรณะคือเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าว่าเราทำได้ทั้งสองอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดความสมดุลถูกต้องเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกัน แต่ทางว่าเราเห็นแต่คนอื่นเป็นผักเป็นปลาไปหมดเป็นคนแต่เราคนเดียวโลกใบนี้ต้องเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนเพราะขาดจริยธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายทุกคนทุกท่านนะเ่ยควรจะเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นเส้นบรรทัดฐานด้วยขีดเส้นบรรทัดให้พวกเรา ได้นำมาประพฤติปฏิบัติความร่มเย็ยนผาสุกก็จะเกิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายจนถึงอายุไข่แต่ถ้าว่าพวกเราเดินแปลกแว ก, กแนวออกจากแนวทาคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นผู้เห็นแก่ตัวเป็นผู้มักมากเป็นผู้โลภโลเลเ อ, อ, อบายมุกทุกประเภทไม่ครบบิดามานดาไม่ครบไยพุทธคุณวุฒ ตามทำตามอัตถาใจทำตามอําเภอใจไม่มีจริยธรรมในจิตใจคิดว่าจะมีความสุขนะมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่กรรมชั่วอย่าทำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง ค, คำนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้พวกเราจะต้องได้เจอได้พบได้เห็นแน่นอนถ้ า, ถาเราทำกรรมชั่ว อไม่ต้องไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งจะต้องมาเจอกับเราถึงถึงจะเราไม่เจอทางกฎหมายเอเราก็จะเตอกรรมจะเล่นงานกรรมชั่วจะเล่นงานเราสักวันใดไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งคนที่ทํากรรมชั่วนั้นกรรมชั่วจะต้องตามแต่พวกเราพอมันตามมาถึงแล้วก็พวกเรากตีโพยตีพายไปอีกและทีนี้ แต่ตัวเองเมื่อขณะตัวเองทําไม่ได้คิดแต่กรรมนั้นเข้ามาสนองตนเองนะนั่นแหละท่านนี่ไม่พอใจน้ําตานองหน้าเป็นทุกข์ทรมานแต่ตามไม่จริงตัวเองเคยทํามาแล้วอย่างนั้นแต่พูดไม่ออกพูดไม่ได้อย่างนี้ก็มีต่างเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทําไม่มีใครที่จะ เห็นยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการแนะนําให้ใช้ทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาใช้ทำคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้นะให้นําไปคิดนําไปพิจารณานําไปไต่ตรองเหตุและผลจากนั้น ก็นำมาประปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราพวกเราจะเดินไปด้วยดีมีแต่ความสุขความสบายใจอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือศีลเองเบื้องต้นคือการเป็นอยู่ร่วมกันจัดว่าสีนกลุ่มของศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสีนถึงจะไม่พูดเป็นเรื่องศีลก็ก็จริง แต่ว่าการเป็นอยู่แนวความคิดแนวการกระทำและแนวการพูดไม่กระทบกระเทือนกับคนอื่นไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นก็จัดในกลุ่มของศีล น, นะส่วนสมาธิเป็นเรื่องของความคิดแนวความคิดจะคิดนึกคิดเรื่องอะไรต้องอยู่ในกรอบอันนี้เรียกว่าสมาธิแต่ว่าตามให้จริงศีลน้มันหยา ถ้าเราห้ามใจของเราแล้วดูใจของเราแล้วมันจะไม่กระโจนออกไปทางการพูดมันก็ต้องรอบขอบขึ้นเพราะใจของเราได้กันกรองเอาธรรมะจับใจของเราอยู่การกระทำออกไปก็รอบขอบเพราะใจของเราเป็นสมาธิสติอยู่กับจิตอยู่กับใจอยู่ตลอดการที่จะพูดการที่จะทำสิ่งใดก็รอบขอบ เพราะว่าสติอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเพราะนั้นถ้าจะว่าไปสินยากกว่าสมาธิสมาธิละเอียดเข้ามาคือดูใจสินสมาธิปัญญาปัญญาคือความรอบครอบรอบรู้ไตรตรองเหตุและผลที่นำมาใช้ปัญญามีหลายระดับมีหลายขั้น ปัญญาทางอกปัญญาหาอยู่หากินปัญญาหาเงินคำทรัพยบัติปัญญารักษาสุขภาพร่างกายปัญญาเป็นอยู่การครองชีพการอยู่ร่วมกันล้วนแล้วแต่ปัญญาแต่ว่าปัญญาในหลักของพุทธศาสนาปัญญาอันยอดยิ่งนี่คือปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นถอนอัตตานุสติ ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอันนี้คือปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนาคือปัญญาอันยิ่งยวดตรือว่าปัญญาอันยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนพวกพุทธบริษัท4ี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ปัญญาอื่นๆนนั้นก็มีแต่ปัญญานี้เป็นปัญญาที่ถอดถอนกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจ จนจิต ใ, ใจหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่นี้ก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้นะพวกเราคงจะไต่ตองหรือว่าเดินตามพื้นฐานไปก่อนเหมือนกิดจะเราจะเรียนด็อกเตอร์เราก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่ไปก่อนถ้ากอไก่ขอไข่ถึงไม่จบถึงหอนกคูกแล้วจะไปเรียนจุดนั้นมันก็คงเป็นไปได้ยากอย่างพวกเราจะเรียน เออ A B C D เออยังไม่จบแล้วจะไปเรียนด็อกเตอร์ก็คงไปได้ยากอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะเรียนสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องเรียนอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องตน้นเรื่องศีลซะก่อนการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันพร้อมเพียงสมัครีการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจเขาเห็นอกเห็นใจเราเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกันผู้อยู่ใกล้ชิดการคู่ครองของเราสามีพันยาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงนะสิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์เป็นยังไงอาจารย์เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดทั้งหมดอันนี้คือการอยู่ร่วมกันจัดว่าเป็นหมวดศิลศิลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยส่วนสมาธิทีนี้ มาพูดถึงสมาธิทีนีสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารสมาธิคือความตั้งใจมั่นเนี่ยเราจะทำใจยังไงจึงให้มั่นคงให้เที่ยงตรงไม่วอกแวกคอนแคนไม่หิวโหวยกับสัญญาอารมณ์ต่างๆตามแนวแถวของพ่อแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเรา เรื่องการภาวนาหรือว่าทำจิตให้สงบเนี่ยเรื่องทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยท่านก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานที่หลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านอบรมแนะนาสั่งสอนแต่สายอื่นเราไม่ว่าท่านเดี๋ยวนี้ขณะนี้พวกเราเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ในแนวแถวสายขององค์หลวงปู่มั่นคือหลวงพ่อเนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนแนวแถวสายนี้ได้ศึกษามาทางนี้เพราะนั่นจะได้แนะนำสั่งสอนผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องท่านผู้ใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็จะแนะนำสั่งสอนในแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นที่พวกเรารักเคารพนับถือแต่ถ้าว่าเราต้องการศึกษาสายอื่น ที่กูบาอาจารย์สายอื่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราก็เข้าไปศึกษาสายนั้นอย่างสัมมาอารหังบงั่งยุบน้อพองน้อบอั่งกำหนดความรู้กำหนดจิตกับอยู่กับตัวเองบงั่งได้หลายอย่างบางทีกำหนดเวทนาบาั่งอย่างนี้สรุปแล้ว ถ้าว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายถ้าจะเอามาพูดกันเอามาพูดต่อหน้ากันมาพูดถามไทยใช่กันแล้วก็อยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมไม่นอกเหนือจากนี้ที่ท่านองค์ไหนจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรแต่บางท่านก็ว่านี่แหละคือวิปัสสนาแต่ตามไม่จริงมาสักไซไลเลียงมากาหนดดูแล้วเป็นเพียงสมาธิ คือทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้อยู่กับตัวทำจิตให้เป็นหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าสมาธิเนี่ยทางพูดตามหลักในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนะกำหนดกายถึงจะยกขายกหนอพองหนอเอาอะไรยกเอากายยกไม่ใช่เหรอกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธลมเป็นอะไรในกายไม่ใช่เหรอ สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากายเอากายกำหนดก็อยู่ในกายเวทนาความหิวความโหยความเจ็บความปวดหายใจเข้าหายใจออกกระทบปลายจมกูกอันนี้ก็จัดว่าเวทนาเวทนากระทบกายกาย วันไหวกายเจ็บกายปวดอันนี้คือเวทนาภายนอกส่วนเวทนาภายในนั้นอารมณ์ของเรากระทบสิ่งไหนพอใจไม่พอใจมีความทุกขึ้นมาอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ว่าเวทนาภายในเวทนาภายนอกก็คือนี่แหละการเจ็บการปวดการรู้สึกต่างๆการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ว่าเวทนากายเวทน า, านกกจิต ก็คือความนึกคิด เ, เราปรุงคิดเรื่องอะไรบางท่านบางคนก็บอกให้ตามดูจิตให้กําหนดจิตอย่าให้คิดไปทางนอกแต่ตามไมจริงผู้ฝึกหัดใหม่เนี่ยเราจะไปตามดูจิตมันไม่ทันหรอกเพราะว่าจิตเป็นของละเอียดขนาดดูลมหายใจเข้าหายใจออกยังจับไม่ทันแล้วจะไปกําหนดจิตดูจิตนั้นมันยาก เพราะนั้นท่านจึงให้กําหนดลมหายใจเข้าออกคือให้มันของดูของหยาบซะก่อนอแล้วจะค่อยดูของละเอียดทีหลังถ้าว่าเราจับลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาทันไม่เผลอแล้วตอนนี้นขยับเข้าไปจับจิตนะั้นมันจะทันแต่ถ้าว่าขนาดจับลมหายใจเข้าออกของหยาบหยาบยบังจับไม่ทันแล้วใจะจะไปจับ ดูจิตการเคลื่อนไหวของจิตใจใจิตใ จ, ใจในึกคิดเรื่องอะไรอยากพูดไปเลยไม่ได้เพราะงั้นเลยไม่ถูกไม่ได้เลยเพราะงั้นพูดอย่างนั้นได้เลยจับไม่ได้ขณะจับลมหายใจเข้าออกยังไม่อยู่แล้วจะไปจับจิตนั้นจะมองไม่เห็นคว้าน้ําเหลวตลอดเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนสายหลวงปู่มั่นท่านจะให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกายเวทนาจิตธรรม ธรรมก็คืออารมณ์ที่มากระทบจิตอารมณ์ที่มากระทบจิตก็ยิ่งไปใหญ่อีกเมื่ออารมณ์เข้ามาความพอใจความไม่พอใจความเป็นทุกข์ความไม่เป็นทุกข์ความเป็นสุขทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาที่เข้ามากระทบจิตอันนั้นก็จอดูธรรมอารมณ์ที่มากระทบใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองได้ยากอีกเหมือนกัน พราเป็นของละเอียดกายเวทนาเวทนาก็ยังพอไหวเพราะมันเจ็บปวดขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่ามันเกิดมาจากไหนขึ้นมาจากกายถ้าว่ากายตายไปแล้วมันปวดไหมมันไม่ปวดเพราะอะไรจึงไม่ปวดเพราะว่าจิตวิญญาณความรู้สึกในกายมันไม่มีมันออกจากร่างไปแล้วมันมีแต่กายไฟเผาก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้องไม่ควรไม่คางเพราะว่าร่างกาย อใจมันออกจากร่างไปแล้วอันนี้แปว่าเวทนานะเพราะนั้นการกําหนดเวทนาเนี่ก็พอจะเห็นได้เพราะมันอยู่กับตัวของเราเนีว่าเวทนาภายในเี่ยเราก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เวทนาภายนอกเนี่เราเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาปฏิบัติเนี่ยให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นหลักนะ ยึดเป็นหลักแต่ว่าก่อนที่จะภาวนากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะกาหนดแผ่เมตตาก่อนก็ได้คือทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนให้จิตใจของเราไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรต่อสรรพสัตว์ดวงวิญญาณทั้งหมดในจักรวาลเราพร้อมที่จะให้อภัยต่อทุกคนต่อทุกวิญญาณ ถ้าว่าเราไปผูกอาคาตพยาบาทไปก็เท่านั้นมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรต่างคนต่างมาเกิดต่างคนต่างตายไปถ้าเรายังผูกพยาบาทอาคาตกันอยู่เกิดพบหน้าชาติหนามั้งกับเกี่ยวพันยิลันพันตูกันอยู่อย่างนั้นน่ะเออเกิดชาตินี้เขาชนะเราเกิดชาติหนาเราแพ้เขามันก็ต้องอปิ้นความพลิกความพลิกหงายอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีที่สิ้นสุดเอพราะเวนตัวนี้ ไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวียนเวียนจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวียนเท่านั้นเพราะนั้นการให้อภัยกันดีที่สุดเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสน า, าท่านจึงให้แผ่เมตตาก่อนที่เราจะนั่งภาวนาหรือก่อนที่เราจะเดินจงกรมหายใจเข้าตนเป็นสุขหายใจออกตนเป็นสุขหรือว่าเราจะเดินขั้งแรกขาเก้า ตนผู้อื่นขาขวาตนขาซ้ายผู้อื่นแต่ความหมายก็คือตนจงเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขอืมถ้าเราจะพูดตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขมันช้าไปตนผู้อื่นตนผู้อื่นตนผู้อื่นตนผู้อื่นไปเลยเก้าวให้แผ่เมตตาจากนั้นก็ขาขวาพุทขขาซ้ายโถเทียน โถพุทธโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถไปเรื่อยแต่ถ้าว่ามันไม่อยู่มันยังปุงฟุงศัรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ก่อนเราเรียนการแพทย์เราเรียนเพื่อความรู้แต่บัด น, นี้เราเอามาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายเราให้เห็นกระดูก ข, ของเรา กระดูกข้างเราเดินเอาโครงกระดูกข้างเราเดินขาขวาพุดขาซ้ายโถไม่ให้มีเนื้อไม่ให้มีเอ็นไม่ให้มีกระดูกมีแต่กระดูกเท่านั้นสมมติว่าให้กระดูกเดินนึซเป็นยังไงกระดูก ข, ข้างเราเดินไปยังไงเรายอมรับว่าร่างกายของเรามีกระดูกไหมหรือเราจะเห็นแต่กระดูกของคนอื่นเราก็เห็นกระดูกเราเหมือนกันกระดูกเราก็มีเหมือนกันกับ ข, ข, ข, ข, ข, ของคนอื่นไม่แพ้กัน เขามีอย่างไรเรามีอย่างนั้นเพราะนั้นเราเอากระดูกข้องเราเดินไว้ซิกล่าไปขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโธ พ, พ, พ, พ, พุอันนี้เรียกว่าจะว่าสมถะก็ใช่จะว่าวิปัสสนาก็ใช่ให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายอันนี้แหละคือให้พวกเรากำหนดนะจะสมมติเรานั่งก่อนที่เราจะนั่ง ทุกครั้งไหวพระจบแล้วจะมีพระประธานไม่มีพระประธานอยู่ในห้อ ง, องของเราคนเดียวเพราะพระทุดงเขาไปเที่ยวทุดงในป่าท่านไม่เอาพระพุทธ ร, รูปเอาอะไรไปด้วยหรอกท่านมีแต่กรดแล้วก็มุ้งของท่านหมอนก็ไม่มีมีแต่บาดบริหารเขาไปอยู่ในมุง้งจากนั้นท่านก็หัน หน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือหรือว่าทางทิศ ท, ที่เหมาะสมหันหลังใส่ต้นไม้ใหญ่หรือหันหลังใส่หน้าผาหันหลังใส่ผนังถ้ำจากนั้นท่านไหว้พระพอไหว้พระจบเรียบร้อยแล้วแผ่เมตตาถึงจะไม่ได้อะไรท่านกับตนจงเป็สุขผู้อื่นเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นสรรพสัพตว์ทั้งหลายทั่วโลกวิญญาณทุกวิญญาณ ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพทรุพโทพโธพุทโธพุทโธในทุกลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือวิธีการปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่เข้ามาศึกษาเนี่ยให้ยึดตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้ แนะนำคือก่อนที่จะหลับนอนก่ อ, อนที่จะนอนเออเราจะพักผ่อน ล, ละบาทเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิพยายามนั่งให้นานนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่บางคนถามว่าจะนั่งนานเท่าไหร่กระสุดแทสเตโอกาส อ, อย่างกูบาอาจารย์บางท่านท่านก็นั่งภาวนาทั้งคืนเลยเอาอริยบทเดียวตลอดทั้งคืนแต่ไม่ใช่ทุกวันนะ นานๆ น, น, นั่งทั้งคืนวันหนึ่งนั่งสองสาชั่วโมง1ชั่วโมง2อาชั่วโมงเป็นธรรมดาแต่ใหม่ๆเราก็นั่งมันก็ไม่ค่อยได้หรอกยี่สนาทีก็นานโขแต่พอต่อไปเราพยายามฝึกหัดไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกนะเรานั่งไม่ต้องดูนาะฬิกาไม่ต้องกําหนดอะไรต่อไปมันนานเองนะท่านนี่จิตใจยิ่งสงบเข้าไปแล้ว เวลาก็ยิ่งสั้นเข้าสั้นเข้าหม่ไม่นี่ก็ยังวานั่นนะพอนั่งเข้าไปนั่งสิบห้านาทีเนี่เหมือนกับ3มชั่วโมงแต่ที่ไหนได้นาฬิกามันเหมือนจะไม่เดินเหมือนกันเออาอันนี้เป็นของปกติเป็นของธรรมดาพวกเราควรจะรู้เอาไว้นะแต่ถึงยังไงก็พยายามนั่งให้นานเท่าที่จะนานได้อ่าถ้ามันเหนือ่อยแล้วเอาก็ออกแต่อย่าไปออกเร็วจนเกินไป ถ้าเราออกเร็วจนเกินไปเนะี่ยเราแพ้กิเลสว่างั้นแต่กูบาจาย์ท่านบอกว่าเราแพ้กิเลสพอนั่งเข้าไปแต่หน่อยนึงกิเลสมันขยับยอมหงายหลังเลยกิเลสน็อกว่างั้นแต่พอนั้นเราต้องสู้มันนะสู้เอาหลายหลายตั้งพอสมควรนะข้าวนี่ไม่ได้ข้าวหน้าหลายครั้งต่อหลายหนพยายามนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พยายาม ให้จิตอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเรื่องสติเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งการปฏิบัติในเรื่องสติต้องมาก่อนนะถ้าขาดสติแล้วก็แปลว่าล้มเหลวทั้งนั้นแหละนะเรื่องสติในต้องมาก่อ น, นกำลังกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าหาย ใ, ใจออกพุโทโธพุโทโธนคือให้มีสติอืแต่เมื่อมีสติอยู่กับตัวเองแล้วไม่เผลอแล้วน่นะจิตจะเข้าสู่ความสงบ ลงไปเรื่อยเรืยจิตจะไม่หิวหยกับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าแทรกแซงเข้ามาได้เพราะเรามีสติอยู่เรามีสติกับลมหายใจเราจะไม่ส่งออกข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเผลอออกส่งปั๊บออกไปข้างนอกมันไปส่งไปหาส ม, มุทัยส่งจิตออกนอกไปว่าส่งไปหาส ม, มุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดแต่นี่พอไปหาอะไรไปสายแซลเรื่องต่างๆเข้ามาทุกเกิดระบาดเพราะนั้น เราอย่าให้มันทุกเกิดให้มีสติอยู่กับตัวเองบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธบังคับนะอันดับแรกอันดับอันดับแรกเนะี่ยเราต้องบังคับนะบังคับให้สติอยู่กับตัวเองเมื่อเราบังคับเมื่อตั้งต้นตั้งลำตั้งหลักได้แล้วต่อไปอย่าค่อยว่ากันไปเรื่อยๆแหละบ้านให้ศึกษาไปเรื่อยๆ เ, เพราะธรรมะภาคปฏิบัตินี่ไม่ใช่ของ ทำได้ง่ายง่ายแต่ผู้มีบุญบา ร, รมีเก่ามันก็ไม่ยากแต่ถ้าหาว่าถึงจะยากหรือง่ายก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทำนะเพราะนั้นให้พวกเราพยายามบวชมาทั้งทีพยายามทำจิตให้สงบให้ได้สักครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราเข้ามาบวชแล้วทำจิตสงบไม่ได้ยแสดงว่า เรามาเพียงแต่ว่าเราเดินผ่านต้นมะม่วงไปเท่านั้นเองเรายังไม่ได้ทานรถมะม่วงเรายังไม่ได้ทานผลมะม่วงผลมะม่วงสุกเรายังไม่ได้ทานมีแต่เราเดินผ่านต้นมะม่วงไปเท่านั้นเองเออเงาของพุทธศาสนาการอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความสุขการคิดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกัน ไม่ลังแกกันมีแต่ความสุขอันนี้คือเราเดินผ่านต้นมะม่วงเหมื่อกันแต่ถ้าว่าเราทําจิตให้สงบได้นะทําจิตให้เป็นหนึ่งได้จิตเป็นหนึ่งลงถึงอัปปนาสมาธิเราเหมือนก็นได้รับทานผลมะม่วงโ อ, อ, อ้รถแห่งสมาธิมีความสุขถึงขนาดนี้เชียวหรเอเพราะพระพยยเจ้าท่านรู้ได้ยังไง กูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าดงพงไผ่อยู่ในป่าวัดป่าอย่างนี้หาความสนุกรื่นเริงแบบทางโลกไม่มีแต่ท่านอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านอยู่ด้วยสมาธิอย่างนี้เองเนอเนเราจะรู้สึกได้สัมผัสได้เมื่อเราได้รับรถแห่งสมาธิเหมือนกับได้รับดื่มหรือ ว, ว่าได้ทานผลมะม่วงสุกนั่นเอง เพราะนั้นพวกเราเข้ามาทั้งทีในครั้งนี้นะพยายามตั้งอกตั้งใจได้เพียงแค่ว่าสมาธิเท่านีนะ้ก็ไม่ขาดทุนศูนย์ทั์ที่เราบวชมาในครั้งนี้นะ ต, ต่อไปเราจะเดินทับเร้วจะเดินมีปัญนาปัญญาเรายังค่อยว่ากันไปเป็นขั้นตอนต่อไปว่างั้นแต่อันนี้เราทาสมาธิซะก่อนสำหรับผู้ที่เดินปัญญา ก็ได้ศึกษามาทางด้านปัญญากับพิรณาร่างกายสังขาร น, นั่นนะพวกเราทุกๆ ท, ท่านนั่นนะวันนี้ก็หลวงพ่อได้พูดธรรมะแนวทางปฏิบัติสาหรับพวกเราที่ได้เข้ามาศึกษากับพยายามทำจิตให้สงบนะนตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพานั่งสมาธิพวกเรานั่งคตสมาและกักกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธอย่างที่หลวงพ่อได้บอก แต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วนะพวกญาติโยมหรือพวกพระพระสงฆ์ที่ปฏิบัติมาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจวันนี้ให้แผ่เมตตานะก่อนที่จะนึกทางวิปัสสนานะให้พวกเรานั่งขัดสมาธิจบเรียบร้อยแล้วให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมว่าตนจงเป็นสุขหายใจออก ตนจงเป็นสุขให้แผ่เมตตาในจั ก, กรวาลคนรอบข้างคนรอบด้านทุกคนให้มีความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นดวงวิญญาณอื่นก็หอยขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนาเออให้ได้สักหานาทีหรือสิบนาทีจากนั้นให้กําหนดดูดูโครงกระดูกนะกระโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้าอย่างเก่า อีกนะอีกรอบหนึ่งจนกว่าที่จะออกจากสมาธิใหไไ้ได้ได้หลายเที่ยวนะไม่ใช่เที่ยวเดียวนะกำหนดขึ้นกําหนดลงกําหนดขึ้นกําหนดลงดูร่างกระดูกของตัวเองเป็นยังไงให้เห็นถ้าว่าคนเห็นร่างกระดูกตัวเองแล้วความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความรักความหลงมัวเมาอะไรทั้งหมดนมันจะถอยอยู่ในกรอบของศีลธรรมทั้งนั้นนหะถ้ามัน ถือว่ากระดูกนี่เป็นของเราเป็นของวิเศษเป็นของไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วนั่นนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นมากมายกายกองทีเดียวเอาตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดบริกรรมพุทโธบริกรรมแผ่เมตตาต่อไป